ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระปุภาสิกขาและปุภาสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมิวาดรจนาต่อไปจะเป็นตติยปราชิบมนุษสวิกคาะห์สิกขาบทที่สามความว่าทิกสุดดยแกล้งภาพ กายมนุษย์ตั้งแต่ประถมวิญญาณตั้งลงก็คือตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดกลลละรูปในคันมารดาเสียกลลละรูปก็มีขนาดเท่ากับหยดน้ํามันงาใสที่ติดอยู่บนปลายหญ้าที่สลัดออกแล้วเจ็ดครั้งที่เหลือเล็กน้อยนั่นแหละคือกลลละถ้าถ้ากายมนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิที่เกิดกลลละรูปในคันของมารดาเสียจากชีวิตคือฆ่าให้ตาย แม้แต่ประกอบอยาร้อนและเหยียบนวดเป็นต้นหรือตั้งเครื่องศาสตราวุธต่างๆอันจักสังหารชีวิตมนุษย์ไว้หรือสรเสริมเสรินความตายว่าท่านจะต้องการอันใดด้วยความเป็นอยู่ชั่วช้าลามกไม่เสมอเพื่อนตายเสียดีกว่าตายแล้วก็จะได้สุขติหรือบอกอุบายให้ตายคือบังคับว่าท่านจงเชือดคอเสียจงกินยาพิษเสียเป็นต้น เธอประสงค์จะให้ตายและทำดังนี้มนุษย์นั้นตายในขณะนั้นหรือนานไปจึงตายด้วยเหตุนั้นก็ดีแม้เธอนั้นก็เป็นปาราชิกมนุษย์เป็นวัตถุแห่งปาราชิกอมนุษย์ยักษ์เปรตเป็นวัตถุแห่งถุลัดใจเดรฉานเป็นวัตถุแห่งปาราชิตีนั่นถ้าไปฆ่าพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกเปรตพวกนี้ก็ถ้ า, ถาตายมีต้องบัตถุละใจถ้าไม่ตายก็ทุกขกอ พรเดรัชานนี่ถ้าไปฆ่าตายก็ไปจิตตีถ้าไม่ตายก็ทุกข์กอดเหมือนกันถ้าฆ่ามนุษย์ตายเดรัชิตถ้าไม่ตายก็ทุใจก็แลประโยคแห่งปานาติบาตมีหกคือสาหัะทิกะประโยคน์นิสักขิยะประโยคน์อนัตติกะประโยคนถาวระประโยควิชามยะประโยคอิทธิมยะประโยคนึนี่ก็หมายถึงว่าประโยคก็คือการประกอบความเพียรในการที่จะไปฆ่ามี หลายแบบก็ต้องมาตัดสินตามแบบมันมีหกประเภทประโยชนกด้วยกันในการฆ่าอันแรกสาหาัตกิกประโยคนั้นว่าประโยคความเพียรในที่จะฆ่าสัตว์อันบังเกิดด้วยมือของตอนเองก็คือทําเองสาหาัสกับประโยชนนี้ทำํำด้วยมืองตอนเองคือพิสูจน์ปรารถนาจะฆ่าสัตว์เองและระหันด้วยกายมีมือและท้าเป็นต้น หรือด้วยของเรื่องด้วยกายมีห อ, อกดาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสังฆติกะประโยคส่วนนิสสกิยะประโยคอันที่สองประโยคคือการซั์หรือว่าคว้างไปได้แก่พิสูจน์ใครจะให้ผู้อยู่ที่ไกลตายและยิงพุ่งซัดคว้างไปซึ่งสัตระวุธมีธนูหน้าไม้และห อ, อกยนก้อนศิลาเป็นต้นด้วยกายหรือว่าด้วยวัตถุอันเนื่องโดยกายอันนี้ก็คว้างซั์ ยินต่างๆเนียเรียกว่านิสกิยาประโยคในสาหติกะและนิสกิยะทั้งสองประโยคนี้จัดเป็นสองสองก็คือเฉพาะและไม่เฉพาะหมายถึงว่าเจาะจงจะให้ตายกับไม่ได้เจาะจงเจาะจงก็คือเจาะจงบุคคลไม่เจาะจงบุคคลโดนใครตายก็แล้วแต่อันนี้ก็ทั้งสาหติกะและนิสกิยะนี่นะทำํำในมือนตอนเองหรือว่าซัดกว้างอาวุธไปก็มีสองประเภท ที่เจาะจงนั้นก็ได้แก่ภิกสุเจาะจงผู้ใดและประหารเองก็ดีถือซัดขว้างไปก็ดีถูกผู้นั้นตายก็เป็นกรรมพันธุ์หมายถึงว่าเครื่องผูกคือกรรมนั้นตามวัตถุนั้นก็คือกรรมผูกพันก็คือเป็นอันตายถ้าตายแล้วก็ต้องประชิดสมัยตายก็ต้องเอาปัดไปตามกําลังถ้าถูกผู้อื่นตายไม่เป็นกรรมพันธ์เพราะว่าเจาะจงเจาะจงจะให้คนนี้ตายแต่ว่าเมื่อ ยิงไปแล้วทําการฆ่าแล้วผู้ที่เจาะจงนั้นไม่ได้ตายคนอื่นตายอันนี้ไม่เป็นกรรมพันธ์คือว่าเจาะจงมนุษย์ผู้ใดถูกมนุษย์ผู้นั้นตายจึงเป็นปรารชิกถ้าถูกคนอื่นตายก็ไม่ได้เป็นปราชิกถ้าถูกมนุษย์ผู้อื่นหรือว่าอามนุษย์และดีฉานไม่เป็นอาบัติอันใดมีโทษเงนินนะไม่ได้เป็นปรารชิกแต่ว่าก็คงจะต้องมีโทษอาบัติอย่างอื่น ถ้าเจาะจงอามนุษย์และเดรัจฉานเดรัจฉานตายเป็นถุรจะใจและปฏิตีอันนี้หมายถึงว่าถ้าเจาะจงอามนุษย์และเดรัจฉานถ้าอามนุษย์ตายก็เป็นถุรจัยถ้าเดรัจฉานตายก็เป็นปจิตีตามวัตถุถ้าถูกมนุษย์และเดรัจฉานอื่นตายก็ไม่เป็นอาบัตเหมือนกันเพราะว่าเจาะจงจะฆ่าคนนี้แต่ไปถูกคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นอาบัตตามวัตถุนั้นแต่อาบัตรรองจะต้องมี ไม่เจาะจงที่ไม่เจาะจงนั้นคือทิสุไม่เจาะจงด้วยคิดว่าทิสุไม่เฉพาะไม่ได้เจาะจงนั้นด้วยคิดว่าใครๆก็จงตายเถิดแล้วประหารหรือซัดกว้างไปถ้าถูกพระอรหันต์หรือว่ามันดาบิดาของตนเองตายเป็นอนันตริกรรมด้วยเป็นประดาชิกด้วยถ้าถูกอมนุษย์หรือยักษ์เปรตสัตว์โดยฉันตายก็เป็นอนบัติต า, ามวัตถุนั้นๆไปถูกอมนุษย์ตายก็เป็นตุรใจเป็นพวก แต่กระชั่ตายกับปจิตีในประโยคที่เฉพาะเจัดจงและไม่เฉพาะจัดจงสองอย่างนี้ผู้ต้องประหาร น, นั้นตายในขณะนั้นหรือตายที่หลังตายด้วยโรคอันนั้นก็ดีเป็นกรรมพันธุ์แก่ผู้ประหารในขณะประหาร น, นั้นก็คือต้องอบัตินั่นเองไม่ใชตายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ต้องอบัติตอนที่ประหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ทังสาหัสติกะและก็นิสติญแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือเฉพาะเจาะจงกับไม่เฉพาะเจาะจงประโยชน์ที่สามก็คืออานติกะประโยคนั้นว่าประโยคเกิดจากการบังคับคือพิสูุบังคับหมายถึงใช้ให้ผู้อื่นว่าท่านจงฆ่าผู้นี้ผู้นี้ดังนี้ในประโยคนี้ให้พึงรู้จักนิยมหกอย่างหมายถึงการกําหนดการกําหนดทกอย่างนะว่าถ้าไปใช้คนอื่นเขาให้ไปดฆ่าบังคับกว่าหนึ่งติฆ่ามีกําหนด คามนิยมกําหนดถูกอย่างก็คือนิยมวัตถุกําหนดวัตถุอย่างหนึ่งแล้วก็นิยมการก็คือกําหนดการนิยมโอกาสได้าการกำหนดโอกาสสถานที่ที่จะให้ฆ่านิยมอาวุธก็ใช้อาวุธอะไรในการฆ่านิยมยารยบทให้ฆ่าโดยยารยบทอย่างไหนหรือว่าให้อยู่ในอารยบทอย่างไหนจึงฆ่าแล้วก็นิยมกิริยาวิเศษหมายถึงว่าโดยอาการแทงเนื้าการฟันเนื้าการยิงนะแต่ น, นี่เป็นการกําหนดนิยมวัตถุก็คือ การกําหนดบุคคลยมวัตถุนะหมายถึงว่ากําหนดบุคคลที่จะพึงค่าคือกําหนดผู้ใดและบังคับให้ค่าผู้รับบังคับค่าผู้นั้นตายเป็นอาบัตทั้งผู้บังคับและก็ผู้ฆ่าถ้าผู้ค่าไปค่าผู้อื่นโดยสําคัญว่าผู้นั้นก็ดีผู้บังคับก็ผลโทษเนื่องไปค่าผิดตัวนั้นกําหนดให้ไปค่าคนใดถ้าไปค่าคนที่กําหนดนั้นก็ผู้ที่สั่งก็เป็นปุราชิกด้วยผู้ค่าเป็นวิสุขก็เป็นบุราชิกด้วย แต่ว่าถ้าฆ่าติดตัวคนสั่งก็ไม่เป็นอบัติคนฆ่าเป็นอย่างเดียวถ้าผู้ฆ่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสําคัญว่าผู้นั้นหรือว่าไปฆ่าผู้อื่นด้วยสำคัญว่าเป็นผู้นั้นก็ดีผู้บังคับกับคนโทษไปกําหนดการนั้นก็คือกําหนดเวลาเช้าเป็นต้นผู้ฆ่าไปฆ่าเสียในเวลาอื่นมีเวลาเย็นเป็นต้นดังนี้ก็ผิดสังเกตคนบังคับคนสั่งก็ไม่เป็นอบัตินิยมโอกาส ก็คือกำหนดที่ให้ค่าคนอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ร้านเป็นต้นผู้ค่าไปค่าในที่อื่นมีเรือนและนอกป้านเป็นต้นก็ผิดสังเกตคนสั่งก็พ้นหาบัตินิยมอาวุธนั้นคือกำหนดให้ค่าด้วยหอกด้วยดาบผู้ค่าไปค่าด้วยอาวุธอื่นๆก็ผิดสังเกตเหมือนกันนิยมอิริยบทนั้นคือกำหนดให้ค่าคนที่อยู่ด้วยอิริยบทยืนเดินผู้ฆ่าไปฆ่าคนที่ อยู่ด้วยอิริบทอื่นคือนั่งหรือนอนก็ผิดสังเกตเหมือนกันนิยมกิริยาวิเศษนั้นคือกำหนดให้ฆ่าด้วยการแทงหรือว่าฟันผู้ฆ่าไปฆ่าด้วยกิริยาอื่นคือด้วยการตีหรือว่าด้วยการเชือกก็ผิดสังเกตเหมือนกันเพรนั้นคนสั่งก็ควอบัตไปคนที่ไปฆ่าก็มีโทษต้องอาบัตต่อไปที่ว่าผิดสังเกตนั้นก็คือผู้บังคับไม่เป็นอบัตเป็นแต่ผู้ฆ่าเท่านั้น ถ้าถูกตามสังเกตก็คือตามที่สั่งเป็นอบัติด้วยกันทั้งสองคนเลยอันหนึ่งถ้าผู้รับบังคับนั้นไปฆ่าไม่ได้กลับมาบอกผู้บังคับผู้บังคับกลับบังคับอีกว่าท่านอาจฆ่าได้เมื่อใดก็จงฆ่าเมื่อนั้นเถิดดังนี้แม้นานสักร้อยปีผู้ฆ่าคงจะฆ่าได้เป็นแน่ผู้บังคับก็เป็นอบัตในขณะบังคับผู้ฆ่าก็เป็นอบัตในขณะที่ฆ่าเพราะนั้นก็สั่งแล้วให้ไปฆ่า กลับมาบอกว่าฆ่าไม่ได้ครับคนสั่งสั่งอีกว่าตั้งฆ่าได้เมื่อไหร่ก็ฆ่าเลยจะรอรอไปรอมาจนทั้งคนสั่งฆ่ า, าพระวิสุที่สั่งฆ่านี่นะตายมรณะภาพแล้วก็อยู่ไปอีกห้าสิบปีคนที่ถูกสั่งเนี่ยก็เลยฆ่าตายคนที่สั่งเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระวิสุทที่มรณะภาพไปผู้สั่งนี่นะเป็นอาบัติตั้งแต่ตอนสั่ง เปนอว บ, บัตตาตอนสั่งนั้นก็เป็นประดชิกตอนสั่งนั่นแหล ะ, ะเพื่อเรื่องวิชิตมาเถอะนันตายอะไรก็คงจะไปไม่ดีต่อไปก็เป็นถาวรประโยคถาวรประโยคนั้นว่าประโยคถาวรตั้งมั่นก็คือประเภทที่วางกับดักหรือว่าทําหลุมพรางไว้เป็นต้นเนี่ยคือพิจูดจะฆ่าผู้อื่นด้วยเครื่องฆ่าอันถาวรได้แก่ขุดบอ่อขุดหลุมและพนักยนต์ประดานหก และตั้งเครื่องศาสตราวุธมีดาเป็นต้นไว้และละลายยาพิษในบึงในบ่อเหล่านี้เพื่อจะให้ผู้อื่นมาตกตายถูกตายหรือว่าติดกับดักแล้วก็ตายกระดีและนำเอารูปเสียงติ่นรถปวดพระธรรมรมที่น่ารักและน่ากลัวเพื่อจะให้ผู้อื่นเหือแท้งหรือว่าสะดุ้งตกใจตายหรือดักแล้วฟ้าทับเหไว้เหล่านี้ชื่อว่าถาวรประโยค อันหนึ่งภิกษุเขียนหนังสือพรรณนาความตายว่าผู้ใดตายอย่างนี้อย่างนี้จะได้ลาบยศได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนี้ก็นับเข้าในถาวระประโยคเหมือนกันในถาวรประโยคนี้ภิกษุเฉพาะคือเจาะจงผู้ใดถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอบัติตามวัตถุนั้นถ้าผู้อื่นตายไม่เป็นอบัติตามวัตถุไม่เป็นอบัติแต่ว่าอาบัติเบาเนี่ยต้องมีรองออกมาแน่นอน ถ้าพิสูจนไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงคือคิดว่าผู้ใดผู้ใดก็จงตายเถิดดังนี้ก็เป็นกรรมพันธ์ตามวัตถุที่ตายคือพระอรหันต์และมนาบิดาของพิสูจน์นั้นตายก็เป็นอนันตริยกรรมด้วยเป็นประราชิดด้วยถ้ามนุษย์อื่นและยักษ์เปรตเดริชานตายก็เป็นประราชิกหรือว่าวัตถุใจหรือว่าปัจจิตีตามวัตถุนั้นเครื่องที่เป็นถาวรประโยคนี้ดังแล้วและหนังสือเป็นตัวอย่าง แล้วและหนังสือที่ิศให้ปลาหรือว่าขายเขาเสียผู้ที่ได้ไปจับแจงใหม่ก็เป็นโทษด้วยกันทั้งสองก็คือเขียนหนังสือให้ฆ่าตัวตายเนี่นะหนังสือนั้นตกไปอยู่กับผู้ใดคนอื่นตายก็มีโทษทั้งนั้นเลยหรือว่าเอาแล้วก็ให้คนอื่นคนอื่นก็ไปดักสัตว์ตายหรือว่าดักมนุษย์ตายก็เป็นอบัตทั้งผู้ที่ให้ไปด้วยนะถ้าทิศร้อนใจว่าตัดตายมากเอามาแต่ไหน ก็เอาไปไว้ที่เดิมจึงผนโทษถ้าซื้อเขามาคืนให้เจ้าของเดิมกลับเอามูลค่าตอดคืนให้เจ้าของเดิมเอามูลค่ามาเสียจึงจะผนโทดก็คือเอามูลค่าเอาของไปคืนเขาถ้าแล้วพิสูจน์ทเองหนังสือพิสูจเขียนเองเอาเผาไฟเสียให้หมดจึงจะผนโทดถ้าคันแล้วไฟไหม้ยังไม่หมดผู้อื่นได้ไปเอาไปประหารผู้อื่นตายเจ้าของเดิมก็ไม่ผนโทษเหมือนกัน ถ้าหนังสือไปไม่ไมหมดผู้ใดเอามาเรียงเข้าอ่านได้ตามแล้วแล้วก็ตายด้วยหนังสือนั้นเจ้าของเดิมประมาทผ่อนทษเหมือนกันก็นกแนวิชามยบประโยคคือประโยคที่ว่าด้วยเรื่องของวิชาเนี่ยนะประโยคอันแล้วด้วยวิชาคือพิษุร่ายมนอาคมต่างๆและใช้คุณพูดผีใดๆก็ดีทำให้ผู้อื่นจกเสียดดังใดอย่างหนึ่งตายนันนี้ชื่อว่าวิชามยประโยค ถ้าเจาะจองผู้ได้ผู้นั้นตายก็ไม่ผิดสังเกตถ้าผู้อื่นตายก็เป็นอันผิดสังเกตก็ไม่อบัตรประชิกถ้าไม่เฉพาะเจาะจองก็เป็นอนบัติตามวัตถุที่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชามยะประโยคใช้วิชาอาคมมน ต, ต, ต่างๆต่อไปก็เป็นอิทธิมยะประโยคนั้นว่าประโยคอันสําเร็จด้วยอิทธิอันบางเสือแต่กรรมดังฤตนาฤกรุธฤยักฤเทวดาฤธพระราชา หากว่าพิกษุมีตาเป็นอาวุธโกรธถดถึงตาแลรดูผู้ใดตีหมายจะให้ตายถ้าผู้นั้นตายก็เป็นอบัติด้วยอีกที่มัยพระโยอันหนึ่งพิกษุขุดบอ่อเป็นต้นเพื่อจะให้ศัตว์ตกตายในประโยคที่ขุดนั้นไม่เป็นปาจิตตีเป็นทุกกฎทุกทุกประโยคขณะที่ขุดดินเพื่อจะทาหลุมพรางให้คนอื่นตกตายเป็นอาบัติทุกกฎเพราะว่าเป็นปุพพประโยคแห่งปานาธิบาศ ถ้ากุดไม่เฉพาะคือไม่เจาะจงสัตว์ใดใดตกลงมาก็คงเป็นอันประทุกฏขณะที่กุดนี้เป็นอันประทุกฏถ้ายักษ์เปรตมีกายเป็นเดรัจฉานและอมนุษย์หรือเดรัจฉานมีกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ดีตกลงเกิดทุกขเวทนาก็เป็นทุกฏเหมือนกันถ้ามนุษย์ตกลงเกิดทุกขเวทนาเป็นทุลใจถ้ายักษ์เป็นต้นตกลงตายก็เป็นทุลใจถ้ามนุษย์ ตายก็เป็นปราชิกสัตว์เดรัจฉานตายก็เป็นปราชิตีไปอันหนึ่งพิสูจไม่แกล้งจะให้ตายดังสาสองอันทิมกันอยู่พิสูจถือเอาสาอันหนึ่งสาอันหนึ่งก็ล้มทับเด็กตายไม่เป็นอาบัตเพราะว่าไม่ได้แกล้งจะให้ตายพิสูจไม่รู้ว่าเขาจะตายด้วยเหตุ น, นี้ดังพิสูจให้บินธบานอันเจือด้วยยาพิษแกพิสูจอื่นชั้น เท็กสูผู้ฉันนั้นตายก็ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่รู้นะว่ามียาพิษอยู่เนทะ็กสูไม่มีความประสงค์จะให้ตายดังให้ยาแก่ผู้อื่นกินแล้วก็ตายไม่เป็นอาบัติเท็กสูบ้าเป็นต้นพวกที่มีจิตกระสับกระสายพราะที่ถูกเวทนาครอบงำแล้วก็พวกอาทิกรรมนิกะพวกนี้ก็ไม่เป็นอาบัติสิกขาบทนี้เป็นสารติกะก็คือต้องเพราะบางังคับด้วย ทำเองก็ตามใช้คนอื่นทําก็ตามเรียกว่าสานติกะสานติกะหมายถึงว่าเป็นไปกับการบังคับใช้คนอื่นก็เป็นอาบัติเหมือนกันมีองค์ห้าก็คือสัตว์เป็นชาติมนุษย์หนึ่งรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตขอ้ 2, ขอที่สองข้อที่สามจิตประสงค์จะฆ่าข้อที่สี่พยายามด้วยประโยคทั้งหกก็คือพวก สาหัตกิกะรมนิมมืองตนเองก็ตามหรือว่านิสกิยะปล่อยอาวุธไปก็ตามอนาติกะสั่งคนอื่นเขาหรือว่าถาวราประโยควางกับดักวิชามิยะใช้พวกมนต์ต่างๆอยู่ที่มิยะก็ใช้ฤทธิ์ด้วยประโยคนหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แล้วก็ขอ้อที่ห้าก็คือสั์นั้นตายด้วยความพยายามนั้นจะตายทันทีหรือว่าตายอีกสิบปียี่สิบปีด้วยโรคอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยการประหารด้วยการฆ่านี่ก็แล้วแต่ พร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นประราชิกสิกขาบทนี้เป็นอัจินนาทานสมุทฐานเป็นอัจินนาทานสมุทฐานมีสมุทฐานเดียวกันกับพุทธิยปราชิกจินนาทานแต่ว่สิกขาบทนี้เป็นตัติยปราชิกก็คือเป็นกิริยาเกิดเพราะการกระทำํำเข้าไปฆ่าการกระทํำกานฆ่าสัญญาวิโมกหมายถึงว่าพ้นได้ด้วยมีสัญญาที่ไม่คิดฆ่าสัญญาอย่างอื่นไปถึงจะพ้นก็เป็นสจิตกะ ก็คือมีเจตนามีเจตนาในการที่จะกระทํำมีความรู้ในการที่จะฆ่าแล้วก็โลกกวัชชะก็เป็นการกระทํำด้วยอากุศลจิต ร, รู้อยู่แล้วก็เป็นกายกรรมเป็นวชีกรรมได้ทั้งกายยถวารและวก็ทางวชีทวารสั่งเขาฆ่าก็ได้อากุศลจิตก็ต้องเป็นประเภทโทสามรจิตเพราะว่าเจตนาไม่ดีในการให้เขาสิ้นชีวิตเป็นทุกขเวทนาเท่านั้น เท่กับโทสะมรจิตทุกเวทนานีนที่นี้หมายถึงโทมนานัสเวทนานั่นเองเกิดกระทบสามมรจิตสองดวงส่วนอจินาทานสมุทฐานก็เป็นสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิตมีสมุทฐานสามด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัตถิยะปาราชิตจบเรื่องของการฆ่ามนุษย์ต่อไปอุตรินุสธรรมสิกขาบทที่สี่เป็นจตุถะปาราชิตสิกขาบทนะปาราชิตข้อที่สี่ความว่า พิกสุไดไม่ตัดสู้เลยเป็นคนมุ่งลาบมุ่งความสรรเสริญอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแห่งพระอริยเจ้าอันสามารถน้อมเข้ามาในตนด้วยความเท็จว่าเรารู้เราเห็นอุตริมนุสธรรมอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกายหรือวาจาหรือทั้งกายวาจาแก่ผู้อื่นที่เป็นชาติมนุษย์เขารู้ความในขณะนั้นภายหลังจะมีผู้ซักไซก็าตามเขาไม่ ซักไซต์ก็ตามคือเชื่อก็ตา ม, ค, ตามคือไม่เชื่อก็ตามเนี่ยเธอก็ต้องป ร, รารชิกเสียแล้วในขณะที่อวดนั่นเองแม้เธอประสงค์ความบริสุทธิ์คือเป็นเครื่องหัดเป็นต้นนั่ะจะกลับปฏิญญาว่าข้าไม่รู้ไม่เห็นดอกแกล้งพูดว่ารู้ว่าเห็นพูดปดดังนี้ก็ไม่ผนโทษมาสารภาพแล้วก็ไม่ผนโทษเว้นไว้แต่สําคัญว่าตนได้อุตรินุสธรรมนั้นแล้วกล่าวตามความสําคัญจึงไม่เป็นอบัติ เพราฉะนั้นก็เมื่อมาปวดก็เป็นอบัตเสแล้วก็ต้องไปเป็นเครือขตายหรวเป็นสมณเณรไปอุตรินุสธรรมนั้นว่าอุตรินุสธรรมเนี่ยนะแปลว่าเป็นธรรมแห่งมนุษย์อันยิ่งคือมหาคตธรรมก็ได้แก่รูปรอรจารูปอรจรและโลกุตรธรรมรูปอรจรนฌานสี่ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานสตุตฌาน อรูปราวจรฌานสี่ก็คืออากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิณัญญาญตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและวิชาหกก็คือมโนมยิธิยานอิทธิก็คือเนระบิตกายอื่นออกจากกายของตนได้อิทธิวิธิยานความรู้แผงอิทธิฤทธิ์ต่างๆทิพโสตยานความรู้ไอ ห, หูทิพเกิดขึ้นเจโตปริยญาณญาณที่กําหนดรู้จิตผู้อื่น ปุกเพยนิวาสยานยานที่ระดึกชาติได้จูตูปปตาตยานยานรู้จุติปฏิสธิของสัตว์เหล่าอื่นเหล่านี้เป็นมหาขะตักธรรมพวกอภิญญาพู้นี้ก็เป็นจตุตตาชานหรือว่าปัญจมะชานชานที่ห้าโดยปัญจกนัยเป็นอภิญญาจิตรูปราวจรปัญจมะชานกิริยาขับรูปราวจรปัญจมะชางูสนสองดวนเนี้สองดวนนี้เป็นอภิญญาจิตธรรมารียธรรมอภิญญาห้าเหล่านี้ ส่วนโซดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกัดธาตุมิมัติสกัาคามิผลอนาคามิมักอนาคาตมิผลอรหัตมัติอรหัตผลและพระนิพพานเหล่านี้เป็นโลกุตรธรรมเป็นโลกุตรธรรมวิโมกฐานสมาธิสามคือสุนญยตาวิโมกข์สุนียิตสมาธิอานิมิตาวิโมกข์อานิมิตาสมาธิอปนิหิตาวิโมกข์อปนิหิตาสมาธิมัคคะภาวนาสามสิเจ็ดก็คือ บทที่ปัจเจตธรรมสันนิจเจตการนั่นเองสติประธาน 4, สี่สามัพพทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภะระห้าผู้ฉงเจ็ดมัสประกอบด้วยองค์แปดขวดีปหาหน้สามก็คือการละราคะโทสะโมห OH ะวิณีวรณตาสามก็คือจิตเปิดจากราคะโทสะโมห OH ะและวิชาที่สามก็คืออาตวัคยญาณอาตวัคยญาณ น, นี่เป็นโลกุตระวิชาสามหรือว่าเป็นอภิญญาที่หกนั่นเอง เหล่านี้นับเข้าในมัตสสมมบัตสามก็คือส่ญญตสมบัตอันิมิตตสมบัตอปนิหิตสมบัตเหล่านี้เป็นชื่อของผลมหาคตธรรมและโลกุตตรธรรมเหล่านี้แหละชื่อว่าอุตริมนุสธรรมเพราะว่าผู้ใดได้ผู้นั้นเป็นมนุษย์อันยิ่งกว่ามนุษย์สามัญอุตริมนุสธรรมนี้ไม่มีในตน ภิสูจกล่าวว่าเราถึงปฐมฌานเป็นต้นก็ดีเราได้อิทธิวิทยาณเป็นต้นก็ดีและกล่าวว่าได้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลเป็นต้นก็ดีเราได้มรรคได้ผลเราเป็นพระโสดา บ, บรรันเป็นต้นก็ดีเราเป็นพระอริยเจ้าเรามาละราคะแล้วเป็นต้นก็ดีกล่าวอวดดังนี้ด้วยกายหรือวาจาเมื่อจะกล่าวก็รู้ว่าเราจะปดเมื่อกล่าวอยู่ก็รู้ว่าเราพูดปด เราวอวดแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นมนุษย์เป็นบรรพชิตก็ตามเป็นกระหัก็ตามเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามแต่เขารู้ความในขณะนั้นว่าเธอได้ฌานได้มรดกได้ผลเป็นต้นเขาจะเชื่อว่าจริงก็ตามไม่เชื่อก็ตามพิสูจนั้นเป็นปาราชิตถ้าผู้ฟังเขาไม่รู้ความพิสูจนั้นต้องทุนและใจถ้าอาศัยตนแต่อ้างผู้อื่นกล่าวว่า ผู้ใดอยู่ในวิหารของท่านผู้นั้นได้ปฐมฌานเป็นต้นผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นที่สูนั้นต้องทุนและใจผู้ฟังไม่รู้ความต้องอบัตทุกฏก็แลจะไม่เป็นอบัตคืออนาบัตในศิกาบทนี้คือบอกด้วยสำคัญว่าได้ถึงและไม่ประสงค์ในที่จะอวดสาคัญผิดอย่างนี้ไม่เป็นอบัตและพิกสูบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัต สิครับทนี้เป็นอนานติกะมีองค์ห้าอนานติกะหมายถึงว่าใช้คนอื่นนี่ไม่เป็นอาบัตสาหรับตัวเองใช้คนอื่นให้อวดตัวเองนี่ไม่ต้องประราชิกคนไหนอวดคนนั้นก็เป็นประราชิกเรียกว่าอะนานติกะก็คือไม่ต้องเพราะใช้มีองค์ห้าก็คืออุตรินุสธรรมไม่มีในตนหนึ่งข้อที่สองอวดด้วยมุ่งลาบมุ่งความสารรเสริญ ข้อที่สามไม่อ้างผู้อื่นข้อที่สี่บอแกลผู้ใดผู้นั้นเป็นชาติมนุษย์ข้อที่ห้าเขารู้ความในขณะนั้นถ้าพร้อมในองค์ห้านี้จึงเป็นอบัติปาราชิกสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอตินนาฐานสิทธานบทก็คือเป็นทุติยปาราชิกสมุทฐานหรือว่าอตินนาฐานสมุทฐานมีสมุทฐานสามสมุทฐานสามก็คือกายจิตวาจาจิตแล้วก็กายวาจาจิต เป็นจุริยาแต่เพราะการทำสัญญาวิโมกด้วยค้นได้ด้วยสัญญาอื่นแล้วก็สัจจิตกะเป็นโลกวัชชะกายกรรมวิจีกรรมแล้วก็อกุศลจิตมีเวทนาสามเลยมีเวทนาสามเป็นสมนัสโทมนัสก็ได้อุเบกาก็ได้ขณะที่อวดอันนี้ก็จบจตุทภา ร, ราชิกประมวลประราชิกหมดด้วยกันก็มียี่บสี่ก็คือมาในอุเทศส่วนพิสุมีสี่ ประราชิคของิสูมีสี่ส่วนนางพิษณีเป็นอาสาสาระอีกสีนนะ่เป็นแปดนะเป็นแปดแล้วก็อภพภาประราชิกหมายถึงเป็นประราชิกเพราะว่าเป็นอภพภาบุคคลก็พวกอะไรบ้างปันดาะหนึ่งเถยะสังวาดคนลักเพศลักสังวาดสองติทยะปักกันตะกะคือผู้ที่เป็นพิกตุอยู่ไปเข้ารีดเดรธีเนี่ยสามละ ก็ดีรฉานสี่ผนี้ก็เป็นประชิกไม่รู้มรคนไม่ได้ข้ามารดาห้าข้าปิดาหกข้าพระรหันเจตประทุสร้ายนางพิศณีนี่ก็ถ้าไปข่มขืนค น, คนางพิศณีนี่ก็เป็นประชิกไม่รูม้มรคลอันนี้ก็แปดทำทําสังฆเภศเก้าทําร้ายพระพุทธเจ้าฤหิตท่อสิบแล้วก็คนมีเพศทั้งเพศหญิงเพศชายอุปโตปยานสนกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับแปดเดิม ก็คือของพิสูตสี่ภิกษุณีสีน่นะก็เป็นสิบเก้าและกับนางภิกษุณีอยากเป็นเครื่องหัดนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดโดยอาการดังเครื่องหัดอีกเป็นเครื่องหัดแล้วก็มานุ่งห่มแบบเครื่องหัดก็เป็นยี่สิบจําพวกกับอนุโลมปาราชิกอีกสี่อนุโลมปาราชิกก็ได้แก่พิกษุมีนิมิตยาวอาวัยเพศยาวก็ใส่นิมิตในทวันหนักของตนเองนี่ก็ปาราชิกเหมือนกันอันนี้สองพงออิกูุหลังอ่อนก็ก้มลงเอานิมิต ของตอนเองมาอมมันอมนิมิตของตอนเองหลงังอ่อนก้มแล้วก็อมนิมิตของตอนเองก็ประราชิกเหมือนกันพิสุเอาปากอมองค์วชาตของชายอื่นก็ประราชิกเหมือนกันแล้วก็พิกสุนั่งทับองค์กําเนิดของชายอื่นนั่งทับองค์กําเนิดชายอืน่นก็ประราชิกจึงรวมประราชิกทั้งหมดเป็นยี่สิบสี่ดังนี้บุคคลที่เป็นประราชิกทั้งหมดนี้ถ้าตามสิกขาบทก็พิกสุสี่พิสุน Liu ุ พิษุณีแปดแต่ว่าเป็นสาธารณเหมือนกันสนี่แล้นก็ขอาพิสูจน์สี่พิษุณีสี่แล้วก็พวกอภัพพระประราชิกอีกอภัพพระประราชิกอีกสิบเอ็ดแล้วก็พิกษุณีนุ่งห่มแบบพระธาอยางเป็นคระธารวมเป็นสิบสองเป็นยี่สิบควาพิกูุน์พิกษณุณีอนุรมประราชิกอีกสี่อย่างรวมทั้งหมดก็เป็นยี่สิบสี่นี่คือบุคคลที่ต้องประราชิก เพราะฉะนั้นต้องบาราชิก ต, ตามพระวินัยบรรยัญญัติก็มีต้องบาราชิกโดยความเป็นบุคคลนั่นเองก็มีแต่การกระทําผิดก็มีหรือว่านกสับบตว์เดรัจฉานก็เป็นบาราชิกอยู่ในตัวอุบปตัวไปยันชนกพวกนี้ก็บาราชิกในตัวแต่ผู้ทําอนันตริยกรรมนี้ก็ทำบาราชิกเหมือนกันตาราชิกะวันนณนานิติตาจบในเรื่องของบาราชิกก็เพียงเท่านี้เรื่องของสังฆาพิเศษก็ไวต้ตอนในวันพรุ่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธารแต่ท่านทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธา ฟังพระวินัยเพื่อให้เกิดความเรื่มใสศีลก็จะได้บริบูรณ์เป็นปัจัยแก่สมาธิและปัญญาเพื่ออบรมตรชิขาโวธิแบบเยี่ยมทำต่อไปขอให้ได้บรรลุอริยมรรคผลโดยทั่วกันได้ทีนสาธุสาธุสาธุ